ขอนอบน้อมต่อพระรัตนีไตรสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายทวัตานุปัสนาสูตรจากคำพีขุทกานิกายสุดตนิบาศต่อจากคราวที่แล้วนะครับ ทวยตานุปัสนาสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาให้เห็นว่าธรรมะมีสองข้างธรร ม, มะที่เป็นสองข้างข้างหนึ่งเป็นข้างทุกข์อีกข้างหนึ่งเป็นข้างพ้นทุกข์ตามที่มีตามที่มันเป็นจริงเพราะว่าธรรมะตามความเป็นจริงมีอย่างนั้นข้างหนึ่งเป็นโลกิยะข้างหนึ่งเป็นโลกุตระข้างหนึ่งเป็น วัตตะอีกข้างหนึ่งเป็นวิวัตตะอย่างนี้เป็นต้นนะการพิจารณาให้เห็นว่าธรร ม, มะมีสองข้างอันนี้เรียกว่าทวยตานุปัสสนาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะทำความเข้าใจธรร ม, มะตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าบางทีถ้ามีคนถามว่าการฟังธรร ม, มะเช่นนี้มีประโยชน์อะไรพระองค์ก็ ให้ตอบว่าการฟังธรรมะเช่นนี้มีประโยชน์เพื่อให้รู้จักธรรมะว่ามีสองข้างตามที่มันเป็นจริงถ้าไม่ฟังเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีอยู่สองข้างมันก็จะไปหมกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่รู้จักว่าธรรมะมันมีข้างทุกข์กับข้างพ้นทุกข์อย่างนี้ไม่รู้จักว่าธรรมะมีข้างวัตฏะกับข้างวิวัฏะมันก็ไม่รู้ แต่ถ้าฟังเอาไว้พิจารณาเอาไว้คอยตามรู้ตามดูสังเกตเอาไว้ก็จะรู้ว่ามีอยู่สองข้างนะอันนี้ความจริงธรรมะมีสองข้างก็ต้องรู้ว่ามีสองข้างอย่างนี้นะครับในที่นี้พระองค์ก็จําแนกขยายความลักษณะของธรรมะที่มีสองข้างออกมาเป็น16ชุดด้วยกันนะครับซึ่งถ้าท่านเข้าใจแล้วก็ ก, กค็คล้ายคลกันนั่นแหละ คล้ายๆกันทุกชุดนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไปอ่านธรรมะหมวดอื่นๆก็จะได้เข้าใจขึ้นเพราะว่าบางครั้งพระองค์ทรงแสดงแก่บุคคลทั่วไปที่ยังไม่พร้อมพระองค์ก็อาจจะแสดงเรื่องบุญอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีอยู่ข้างหนึ่งตอนนี้กําลังแสดงเรื่องบุญแต่อีกข้างหนึ่งคือข้างสิ้นบุญก็มีด้วยอย่างนี้นะบางทีพระองค์แสดงแก่คนทําบาปให้เห็นโทษของการทําบาป อันนี้เราก็ได้รู้ว่า อ, อ๋อนี่เป็นข้างบาปแต่ข้างหมดบาปสิ้นบาปไปก็มีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกับแสดงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้พิจารณาว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะได้รู้ว่าอ่านี่เป็นข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือเกิดมันคู่กับไม่เกิดเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันข้างไม่เกิดนะครับ อันแก่นี้ก็มีข้างไม่ต้องแก่ตายก็มีข้างไม่ตายคือเป็นอมตะอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้พระองค์แสดงแค่นั้นเราก็จะบอกว่าแมมพิจารณาได้อยู่ข้างเดียวอย่างนี้ไปหยิบยกธรรมเทศนาอันใดอันหนึ่งมาแล้วก็อ้างว่าอ่าแบบนี้พระองค์บอกเอาไว้เราก็พิจารณาเลยอย่างนี้อันนั้นก็อาจจะได้ข้างใดข้างหนึ่งไปนะครับ อันนี้ในพระสูตรนี้พระองค์ก็บอกเอาไว้ว่าการพิจารณาธรรมะว่ามันมีอยู่สองข้างนี้ก็จะช่วยได้มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าทำให้รู้จักว่าธรรมะทั้งหลายนั้นมีอยู่สองข้างตามที่มันเป็นจริงนะแต่เวลาเราพูดกันก็ต้องพูดในแง่ที่ว่าเหมาะจะพูดเรื่องอะไรเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าพอพูดเรื่องหนึ่งไปปับ๊บพอพูดเรื่องบุญจะมีแต่เรื่องบุญอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้น มันมีข้างสิ้นบุญไปด้วยซึ่งยังไม่ได้พูดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรตานองนี้นะครับในทีน่นี้พระองค์แสดงแก่เราภิกษุก็แสดงครบถ้วนทีเดียวนะครับในข้อที่หนึ่งที่พระองค์ขยายความก็คือทุกขกับทุกขะสมุทัยนี้เป็นข้างหนึ่งทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เป็นข้างหนึ่งเมื่อภิกษุ ตามรู้หรือว่าพิจารณาว่าธรรมะมีอยู่สองข้างโดยชอบอย่างนี้และก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีจิตตั้งมั่นส่งไปแล้วก็จะสามารถหวังผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการคือได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามี เนี่ยการรู้จักว่าธรรมะมีสองข้างมีประโยชน์มากขนาดนี้นะถ้าได้รู้แล้วพิจารณาแล้วแล้วยังเป็นผู้ไม่ประมาททาความเพียรด้วยก็สามารถหวังผลได้สองประการคือเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่มีความยึดถือเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงอนิสงส์ขั้นสูงไว้ผู้ฟังก็จะได้ ขวนขวายในการฟังในการประพฤติปฏิบัติต่อไปหมวดที่สองก็คือทุก์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยอันนี้ข้างหนึ่งเพราะความดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอุปธินั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนี้เป็นอีกข้างหนึ่ง นี่เป็นชุดที่สองชุดที่สามทุกเหลาใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนี้เป็นข้างหนึ่งเพราะการดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนี้เป็นอีกข้างหนึ่งหัวข้อที่สทุก อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยนี้เป็นข้างหนึ่งเพราะการดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งสังขารทั้งหลายนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ย่อมไม่มีนี้เป็นอีกข้างหนึ่งหัวข้อที่5ทุกขเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะ วิญญาณเป็นปัจจัยเพราะการดับสนิททุกขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นข้างหนึ่งเพราะการดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิญญาณ น, นั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนี้เป็นอีกข้างหนึ่งข้อที่6 ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนี้เป็นข้างหนึ่งเพราะการดับสนิทโดยการสํารอดให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งผัสสะนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนี้เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับฉะนั้นเมื่อเราได้กระทบผัสสะแล้วเกิดความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเกิดเรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างอันนี้ ให้รู้ว่าเป็นอีกข้างหนึ่งยังมีอีกข้างหนึ่งด้วยที่ไม่ต้องมีผัสสะอย่างนี้นะเมื่อเรามีนามรูปได้ชาติเกิดขึ้นมาได้นามได้รูปได้มีปัญหาได้มองเห็นได้ดมกลิ่นได้ริมรสได้คิดได้นึกอะไรต่างๆมากมายอันนี้เป็นข้างหนึ่งการไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องดมกลิ่นไม่ต้องมีนามมีรูปความดับสนิทของนามรูปนั้นเป็นอีกข้างหนึ่งไม่ใช่มีแค่ข้างนี้ข้างเดียวนะ ยังมีข้างที่ไม่ใช่ข้างนี้ด้วยนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ตามที่เป็นจริงไม่อย่างนั้นเราก็จะหมกมุ่นอยู่ข้างนามรูปจัดการนามรูปจัดการการเห็นจัดการผัสสะอะไรต่างๆมากมายแท้ที่จริงข้างไม่ต้องมีผัสสะก็มีนะน่ากลัวไหมคนทั่วไปเขาคงมองไม่ออกนะแต่ว่ามันมีนะข้างไม่ต้องมีผัสสะไม่ต้องมีนามรูปนะความดับสนิทของนามรูป ดับไปในที่ไหนก็ดับไปที่นิพพานนั่นแหละอย่างนี้นะอันนี้ข้างนามรูปก็มีเป็นกองทุกขามข้างดับสนิทของนามรูปก็มีคือนิพพานนะครับซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้ยินได้ฟังนี้เขาคงจะน่ากลัวหรือว่าคงจะไม่อยากได้นิพพานหรอกอย่างนีนะ้เพราะเป็นความดับสนิทของนามรูปเขาชอบนามชอบรูปชอบสุขชอบทุกข์ไปนะ ส่วนนิพพานนั้นเป็นความดับสนิทของนามรูปทีนี้พวกไม่เข้าใจเพราะว่าดับสนิทก็เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นของขาดศูนย์อีกอะไรอีกทำนองนี้ฉะนั้นก็ต้องเรียนให้ดีๆนะครับต่อไปข้อที่7ที่พระองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่าธรรมะนั้นมีอยู่สองข้างอ่านพร้อมกันนะครับสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะทันจะสิยา ยังกินจิดุ ข, ขังสัมโพติสั บ, บังเวทนาปัจจญาติอายะมีกานุปัสสนาเวทนานางตเววะอาศสสะวิราคะนิโรธานัติดุ ข, ขัสสะสัมโวติอายังทุติยานุปัสสนาเอวังสัมมา ตวายตานุปสิโนอถ า, าปรังเอตดเโวจะสัทธานะในธรรมะชุดที่เจ็ดที่พระองค์ทรงสแสดงเอาไว้สิยาอันเยนะปิปริยาเยนะถ้ามีบุคคลเขาถามว่ายังมีอย่างอื่นอีกไหมมีแง่มุมอื่นอีกไหมก็พึงตอบเขาว่ากะถันจะสิยามีอยู่ ถ้าเขาถามว่ามีอย่างไรก็ให้ตอบเขายังกินจิตุ ข, ขังสัมโพติสับบังเวทนาปั จ, จยาติอายะเมกานุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งพิจารณา ข้างหนึ่งตามรู้ว่ามันมีอีกข้างหนึ่งเห็นว่ามันมีอีกข้างหนึ่งอย่างนี้ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนะมีนามมีรูปมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ที่ยังมีเวทนาอยู่นะสุขบ้่งทุกบ้างเฉยเฉยบ้างนี้เป็นข้างทุกนะเนะี่ยทุกมันก่อตัวแล้วก็ เกิดดับสืบต่อกันไปก็ด้วยอย่างนี้ข้างไม่ต้องมีเวทนาก็มีนะนะไม่ต้องเสวยอารมณ์ไม่ต้องรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีเราคงนึกไม่ออกนะนะก็นึกไปเรื่อยๆเพราะว่าอีกข้างหนึ่งไม่ต้องนึกไม่ต้องอะไรไม่มีทั้งความนึกความคิดอะไรนะข้างนึกข้างคิดข้างสังขารปรุงแต่งต่างๆเหล่านี้มันข้างทุกข์อยู่ข้างขันห่านะครับส่วนนิพพานนั้นพ้นไปจากขันห่าเรียกว่าขันทวิมุติ อย่างนี้นะเวทานานาังตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธานัตติดุขัสสะสัมโวติายังตุติยานุปัสนาเพราะการดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งเวทนาทั้งหลายนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะครับ ดับสนิทโดยการสัมรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งเวทนาไม่ต้องมีเวทนานะครับเราทั้งหลายถ้าพูดถึงชุดกิเลสก็อาจจะเข้าใจว่าถ้าหมดกิเลสน่าจะถึงนิพพานนะแต่ว่าเอพอหมดเวทนานี่มันทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงการหมดก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละการหมดกิเลสก็ไม่ได้ไปทุบทําลายกิเลสทิ้งก็โดยการมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงและกิเลสมันก็จะหมดนะ ก็เหมือนเวทนาก็เหมือนกันที่มันจะหมดไปได้ก็โดยการมีวิชาเห็นตามความเป็นจริงเวทนามันก็หมดผัสสะก็ทํานองเดียวกันฉะนั้นบางคนถ้าไปคิดในแง่จะทําลายล้างกิเลสนี่เขาจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ดับสนิทของเวทนามันเป็นยังไงมันงงแต่ถ้าดับกิเลสละพอใช้ได้เขาว่าอย่างนี้แต่นิพพานนี่ดับหมดกิเลสก็ดับนามรูปก็ดับผัสสะก็ดับเวทนาก็ดับสติปัญญาก็ดับที่นิพพานนั้น เอาสติปัญญาไปนิพพานก็ไม่ได้นะเพราะนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคจิตเฉยๆนะสติปัญญาไม่ได้อยู่ที่นิพพานฉะนั้นบางคนเวลาเขาฟังเขาไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้แต่ท่านดับกิเลสละกิเลสเนี่ยฟังเข้าใจดีเพราะว่าเขาเกลียดกิเลสอยู่แล้วไงแต่จริงๆแล้วแม้แต่กิเลสและสภาวะธรรมทั้งหมดทั้งมวลล้วนดับไปทั้งหมดที่นิพพานนั้นเพราะว่าไม่ว่าสติปัญญาอะไรก็เป็นกองทุกข์ทั้งหมดนะ นั้นเวลาเจริญสติปัฏฐานอะไรขึ้นไปท้ายที่สุดท่านก็จะบอกให้เห็นอริยสัจว่าแม้สติที่รู้นามรู้รูประ ล, ลึกรู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่สติอันนี้ก็เป็นทุกขสัจนะตันหาที่ทําให้เราทั้งหลายมาวนเวียนแล้วก็ต้องมาเจริญสติอยู่นี้เป็นสมุทยัยความดับสนิทของทั้งสติของทั้งตันหาทั้งหมดนั้น เป็นทุกขานิโรธะคือพระนิพานอย่างนี้เห็นไหมดับทั้งสติด้วยทั้งตัณหาด้วยเออดีเหมือนกันนี่ดับทั้งนามทั้งรูปฉะนั้นบางคนพอฟังอย่างนี้เอ๊ะดับเวทนาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะอันนี้แท้ที่จริงมันมีข้างอย่างนั้นจริงๆนะมีข้างไม่ต้องมีเวทนาเวทนานี้เป็นข้างทุกข้างขันห้านะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิข่างขันห้าเป็นกองทุกขส่วนพระนิพพานนี้ไม่มีขันห้าเห็นไหมมีเวทนาไหมที่นิพพานไม่มีมีผัสสะไหมไม่มีไม่ใช่ไม่มีเฉพาะกิเลสนะไม่มีอันอื่นด้วยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่งงนะครับซึ่งนั ก, กพิธรมทั้งหลายก็คงเรียนมาแล้วแต่เรียนไปแล้วบางทีก็งงอยู่ดี นะเพราะว่าเป็นคนละสภาวะกันนั่นเองจิตเจตสิกรูปก็เป็นข้างหนึ่งนิพพานก็เป็นอีกข้างหนึ่งไปคนละอันกันเลยคนละสภาวะกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านไปเห็นคำว่าดับผัสะดับเวทนาอะไรอย่างนี้ก็ให้เข้าใจความหมายในแง่นี้ไม่ใช่ไปดับแบบทานองที่เราจะละกิเลสอะไรไม่ใช่อย่างนั้นละกิเลสก็ไม่ใช่ดับในทานองที่เราไปละไปทาอะไรมันทิ้งไม่ใช่อย่างนั้น แต่ละโดยการที่ฝึกฝนให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเห็นนิพพานนิพพานนี้จะทําหน้าที่ดับทุกเรื่องคืออย่างนี้พอเข้าใจไหมนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไปทําผิดมานานแล้วแทนที่จะเจริญอริยมรรคกลับไปเจริญอะไรก็ไม่รู้เจริญละกิเลสนั่นกิเลสนี้อะไรของเขาก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสักทีหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เจริญแต่อริยมรรคเท่านั้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็เห็นพระนิพพาน พอเห็นนิพพานนินพพานก็ดับทุกเรื่องก็จบแล้วอย่างนี้นะอันนี้คือหลักอริยสัจนั่นเองแต่เราทั้งหลายนี่มันยังไงก็ไม่รู้นะเป็นคนดีหน่อยก็เกลียดกิเลสตัวกิเลสอะไรของเขาแทนที่จะเจริญอริยมรรคกลับมาเจริญหาวิธีละกิเลสอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ว่ากันไปนะครับแท่ที่จริงการละกิเลสได้เป็นผลมาจากการเจริญอริยมรรคเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ทําให้มีขึ้นเฉพาะอริยมรรค ท่านจึงว่าเป็นภาเวตพัทธธรรมธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นอย่างนี้นะไม่ต้องทำอันอื่นให้มันมีขึ้นทำอันเดียวก็พอนะทำประตูเห็นพระนิพพานก็ทุกอื่นอันอื่นก็ดับหมดอย่างนี้นะต่อไปก็จะเป็นคาถานะครับในบาลีข้อ744กับ745อ่านพร้อมกันนะครับ สุขังวายดิวาดุขังอะดุขมะสุขังสหะอัจฉตัญจะบหิตาจะยังกินจิอัติเวริตังเอตังดุขันติยัตวาโมสะธรรมังปโลกินังพุทธะพุทธะวะยังปัตสังเอวังตัฏฐะวิชาณติ เวทนานงขยยาเยวะนัตถิดุขัสสะสัมพโวติในบาลีข้อ744สุขังวายะดิวาดุขังอดุกมะสุขังสหะอะชัตตันจะบหิตาจะยังกินจิอัติเวดิตังเวทนาคือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ เวทิตังก็แปลว่าเวทนาความรู้สึกยังกินจิยังใดยังหนึ่งทุกๆอย่างอัถิมีอยู่คือสุขขังวาความรู้สึกเป็นสุขยะดิวาทุก ข, ขังหรือว่าความรู้สึกเป็นทุกข์อทุกขมะสุขขังสหรวมทั้งอทุกขมะสุขอัจชัิตัจะทั้งเป็นภายในคือเป็นของตนเองด้วยเกิดในตนเองบหิตาจะ หรือเป็นของภายนอกคือเกิดแก่บุคคลอื่นด้วยอันนี้เวทนาทั้งหมดทั้งปวงก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็คือเป็นเพียงศัก์แต่ว่าเวทนาซึ่งเป็นกองทุกข์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเอตังทุขันติยัตตวานะโมสะธรรมังปโลกินังพุทธะพุทธะวายังปัสสังเอวังตัฐวิชานติบุคคลรู้ว่า เวทนานี้เป็นทุกยัตวานะแปลว่ารู้รู้แล้วเอตังซึ่งเวทนานั้นลุกขังว่าเป็นทุกเป็นของที่ไร้ตัวตนเป็นของที่เกิดจากผัสสะแล้วก็ดับไปโมสะธ ร, รมมังเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาปโลกินังมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พุทธะพุทธะว่ายังปัดสังได้กระทบกับเวทนานั้นๆแล้วก็เห็นแต่ความสิ้นไปสิ้นไปเอวังตัทฐวิชานติอย่างนี้ชื่อว่ารู้แจ้งในเวทนานั้ น, นกระทบกับเวทนากระทบกับผัสธะเกิดเวทนาเป็นครั้งครั้งแล้วก็เห็นแต่ความสิ้นไปสิ้นไปอย่างนี้ชื่อว่ารู้แจ้งเวทนานั้น เวทนานังขยาเยวะเพราะความสิ้นไปแห่งเวทนาทั้งหลายนัตถิดุกขะสะสัมโวะความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนะพอรู้แจ้งเวทนามีปัญญาและอริยมรรคเกิดขึ้นนะรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ความสิ้นไปของเวทนาก็มีขึ้นคือเห็นพระนิพพานนั่นเองนิพพานนี้เป็นความสิ้นไปของเวทนาเนี่ย ความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีไม่มีทุกข์เกิดขึ้นในนิพพานเลยอย่างนี้นะครับนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับน่นฉะนั้นที่บอกว่าดับสนิทของเวทนาก็ไม่ใช่ไปตีเวทนาทิ้งอะไรนั้นหรอกก็หมายถึงทำอริยมรรคให้มันเกิดขึ้นทําความรู้ให้มันเกิดขึ้นพอรู้แจ้งเวทนาว่ามันเป็นทุกข์มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดากระทบแล้วกระทบแล้วก็เห็นว่ามีแต่ของเสื่อมไป อย่างนี้ชื่อว่ารู้แจ้งเวทนาพอรู้แจ้งเวทนาก็อริยมรรคเกิดขึ้นก็เห็นพระนิพพานเวทนาก็สิ้นไปทำตรง น, นี้นะอันนี้เป็นข้อที่7นะครับต่อไปข้อที่8อ่านพร้อมกันนะครับสิยาอัญเยนะปิปริยาเยนะกะทถันจะสิยา ยางกินจิทุขังสัมโพติสั บ, บางตันหาปัจจยาติอายะมกานุปัสนาตันหายะตะเววะอเศสศะวิราคะนิโรธานัติดุขัสสะสัมโวติอายังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาทวยตานุปัสิโน อถาปรังเอตดาวจะสัตถาสิยาอันเยนปิปริยาเยนะกระถันจะสิยาถ้ามีคนถามว่ายังมีแง่มุมอื่นอีกไหมก็ควรตอบเขาว่ามีอยู่มีอย่างไรก็ควรตอบเขาดังต่อไปนี้ยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสับบางตันหาปั จ, จยาติ อายะมีการุปัสสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนี้เป็นการพิจารณาเห็นว่ามีธรรมะข้างหนึ่งนะตามรู้ก็ได้พิจารณาก็ได้มองดูพิจารณาดูก็ได้อนุปัสสนานะ ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งตัณหายะเววะอเสสวิราคนิโรธานัติดุขข ส, สัมโวติอายางดุติยานุปัสนาเพราะการดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละ ความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะครับการดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละก็เหมือนกับการดับให้หมดไปหรือว่าการสํารอกผัสสะสํารอกเวทนานั่นแหละวิธีการมันอันเดียวกันคือทำอริยมรรคให้มันเกิดขึ้นนะการละตัณหาหรือว่า การที่จะหมดความอยากนี้ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์คือมีปัญญานั่นเองฉะนั้นพระพุทธศาสนาเขาจึงเริ่มที่ปัญญาอาริยมรรคมีองค์8ก็เริ่มที่ปัญญานะเริ่มมีปัญญาปัญญาสมบูรณ์ก็ปัญญาเล็กน้อยยังไม่สมบูรณ์ชั้นที่หนึ่งก็ทําให้ศีลมันสมบูรณ์ขึ้นปัญญาชั้นต่อมาก็ทําให้สมาธิมันสมบูรณ์ปัญญาชั้นต่อมาก็ทําให้ปัญญาวิชามันสมบูรณ์ สมบูรณ์ทั้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อย่างนี้นะครับฉะนั้นตัณหาที่ว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสนี้เวลาเราฝึกฝนปฏิบัติเราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อละตัณหาอะไรแต่ว่าฝึกทําให้อริยมรรคมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะพอมีความรู้ตัณหามันก็ลดลงเองตัณหามันก็หมดที่ตั้งไปเองเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาเรียนถ้าหลักแม่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะการเรียนเนี่ย เรียนอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าหลักเราไม่แม่นเราก็ไปไหนก็ไม่รู้กระโดดไปกระโดดมาละกิเลสโน่นกิเลสนี่อะไรมันเยอะไปหมดนะแต่ที่จริงสิ่งที่ควรทําให้มีขึ้นมันมีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้น น, ะนี่เวลาเรียนก็ให้รู้หลักการให้ดีๆจะได้ไม่กระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงชัดเจนนะแต่พวกเรามันชอบกระโดดกระโดดไปกระโดดมานะ อันนี้พอพูดถึงดับเวทนาท่านก็จะไปดับเวทนาพอพูดถึงดับตัณหาท่านก็จะไปดับตัณหาบางคนพูดถึงดับผัสสะก็จะจ้องไปดับผัสสะมันก็เลยไม่รู้จะทําไงน ะ, นะทํานองนี้อันนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหลักของธรรมะนะพอพูดแล้วก็ถ้อยคำหรือว่าคำแปลคำไทยๆล้วเนี่ยมันก็ลากไปทำนองนี้นะ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 ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้มีความเพียร น, นะทาไปก็หวังผลได้สองอย่างนะทีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วจะมีความเพียรทํากันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะทอนองนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสไปเสร็จแล้วก็ได้ตรัสเป็นคาถาในบาลีข้อ746อกกับ747อ่นะครับอ่านพร้อมกันตันหาตุติโยปุริโส ดีคะมัฏฐานะสังสรังอิทภ า, าวัญญาถาภาวังสังสารังนาติวัตติเอตามาดีนวังยัตวาตันหังดุขขัสสะสัมภวังวีตะตันโหหอนาดาโนสโตพิกขุปริบะเชติในบาลีข้อ เจดร้อยสีสิตันหาตุติโยปุริโสดีคะมัธฐานะสังสารังดีคะมัธฐานะสังสารังอิทภาวันยะถาภาวังสังสารังนาติวัตติบุคคลมีตันหาเป็นเพื่อนสองบุคคลอยู่กับตันหาอยู่กับความอยากความต้องการของตนเองอยู่กับความคาดหวังอยากได้นั่นได้นี่ เขาเรียกว่าตันหาทุติโยบุคคลมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานดีฆะมัทฐานะตลอดกาลนานยาวไกลามากสังสรังแปลว่าท่องเที่ยวไปย่อมไม่พ้นสังสาระซึ่งมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นาติวัตติย่อมไม่พ้น สังสาระก็คือสังสาระที่มีการเกิดสืบต่อกันของขันขันในชาตินี้ดับไปก็เกิดขันในชาติหน้าสืบต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่มีการขาดช่วงเรียกว่าสังสาระอิทธพาวัญญาถาพาวังซึ่งมีความเป็นอย่างนี้คือเป็นมนุษย์และความเป็นอย่างอื่นคือเป็นสัตว์บายบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างไปเรื่อย อันนี้สำหรับบุรุษที่มีตัณหาเป็นเพื่อนสองก็จะท่องเที่ยวไปยาวนานตลอดกาลนานยอมไม่ล่วงพ้นสังสาระซึ่งมีความเป็นอย่างนี้คือเป็นมนุษย์บ้างหรือว่าเป็นอย่างอื่นคือไปเป็นสัตว์อบายบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างบาลีข้อ747เอตามาดีนวังยัตวาตันหังดุค ข, ขัดสะสัมภวัง วีตตันโหอนาดาโนสโตภิกขุปริปะเชส่วนภิกษุผู้ที่มีสติรู้จักโทษอันนี้แล้วคือตันหาเป็นเหตุเกิดของทุกข์นะภิกษุรู้จักโทษอันนี้แล้วโทษอันนี้นะคือตันหานั้นเป็นเหตุเกิดของทุกข์พอรู้เรียบร้อยแล้วว่าตันหาเป็นเหตุเกิดของทุกข์ วี ต, ตันโโห้ก็เป็นผู้มีตัณหาสิ้นไปแล้วอนาดาโนไม่ยึดมั่นสโตเป็นผู้มีสติตั้งมั่นปริพัเชก็ทิ้งมันไปปริพัเชก็เว้นจากตัณหานั้นไปออกจากตัณหานั้นไปทิ้งการกระทำที่เกิดจากตัณหานั้นไปทิ้งเพื่อนไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่เดิมมีตัณหาเป็นเพื่อนนะ บุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปยาวนานตลอดกาลนานย่อมไม่พ้นสังสาระซึ่งมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษอันนี้แล้วคือตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นผู้ที่มีตัณหาสิ้นไปแล้วไม่ยึดมั่นเป็นผู้มีสติทิ้งมันไปแล้ว ทิ้งตันหาพ้นจากตันหาไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นชุดที่8ต่อไปชุดที่9อ่านพร้อมกันสิยาอัญเยนะปิปริยาเยนะกะถันจะสิยายังกินจิดุขขังสัมโพติสับบางอุ ป, ปาดาณปัจจยาติอายะเมกานุปัสนา อุปาดาสะตเววะอเสสวิราคะนิโรธานัติดุขสสะสัมโวติอยังดุติยานุปั ส, สนาเอวังสัมมาดวยตานุปัสสโนอัถาปรังเอตัดวจสัทธา สิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะถันจะสิยาถ้ามีคนก็ถามว่ายังมีแง่มุมอื่นอีกไหมก็พึงตอบเขาว่ามีมีอย่างไรเล่าก็พึงตอบว่ายังกินจิดุ ข, ขังสัมโพติสับบางอุปาดานปัจจญาติอเมกานุปสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งะทุกทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอันนี้ข้างที่หนึ่งต่อมาอีกข้างหนึ่งอุปาดานสตเววะอเสสวิราคนิโรธานัติดุขสสะสัมโวติอยังดุติยานุปศนา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 ซึ่งจะทำให้อุปาทานบันดับสนิทก็ต้องมีวิชาเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมนั่นแหละวิธีการปฏิบัติก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็คือทำอริยมรรคให้มันเกิดขึ้นพออริยมรรคเกิดขึ้นอุปาทานก็ดับสนิทไปถูกสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลืออันนี้ก็เป็นข้างที่สองเอวังสัมมาทวยตานุปัสสินโนเมื่อภิกษุเป็นผู้ พิจารณาเห็นว่ามีธรรมะสองข้างโดยถูกต้องอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาททําความเพียรอย่างเต็มที่ก็สามารถหวังผลได้สองประการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วและต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสเป็นคาถาในบาลีข้อ748กับ749อ่านพร้อมกันนะครับ อุปาณาปัจจยาผะโวภูตโตดุขขังนิคัชชตฉิชาตัดสะมรนังโหติเอโสดุขัสะสัมพโวตัดสมาอุปาณาขยาสัมมดัญญายปันติชาติขยังอภินญายนะนคัดฉันติ ปุณพวันตินะก็ตรัสเป็นรูปคาถาคาถาก็สรุปมาจากคำขยายความที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนหน้านั้นนั่นแหละแต่ว่าก็จะไพเราะบาลีข้อ748อุปาดานปัจจยาพวุภูโตดุก ข, ขังนิคัชตชติชาตัสสะมรนังโหติเอโสดุขสสะสัมพโว เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีสัตว์ผู้เกิดแล้วย่อมต้องประสบกับความทุกข์นี่เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบคือความเกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอันนี้เขาเรียกว่าพบแล้วเกิดเกิดในพบไหนกามาพบบ้างรูปพบบ้างอารูปพบบ้างก็ว่ากันไปเกิดตามอุปาทานของตนนั้นแหละ ภูโตแปล ว, ว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วนิคัจจติก็ย่อมประสบทุกขังซึ่งความทุกข์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วย่อมประสบซึ่งความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเกิดทุกทีก็ทุกทุกทีความหมายคืออย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปเอาไว้ลุกขาชาติปูนับปุนังการเกิดทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้งแต่คนพาลหรือว่า คนที่โง่โ ง, ง่ไม่มีปัญญาเขาสําคัญว่าเกิดแล้วย่อมเข้าถึงซึ่งความสุขเขาว่าอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยเกิดแล้วย่อมต้องตายนี่ย่อมเข้าถึงซึ่งความทุกข์นะอย่างบางคนเขาบอกว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วน่าจะสุขเขวาว่าอย่า ง, างนี้นะอันนั้นพวกคนโง่โง่เขาคิดกันเกิดเป็นพระพรหมแล้วจะเป็นสุขอันนี้ก็โง่โง่เหมือนกันโง่หนักขึ้นทุกวันทุกวันนะ แต่ว่าของพระพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วย่อมต้องประสบกับความทุกข์นคือเกิดแล้วก็ต้องตายหมดนะพูดง่ายทุกข์ที่ติดมากับชาติก็คือชราและมรณะแล้วก็มีอันอื่นๆโสกะปริเทวะทุกโทมณตุปายาสะแต่พวกคนพาลคนไม่รู้คนโง่ก็สำคัญผิดคิดว่าได้เกิดที่นี่แล้วจะเป็นสุขเกิดที่นั่นแล้วจะเป็นสุขอย่างนี้นะ <c oughs> เหมือนผู้ที่เกิดมาแล้วก็อาจจะสำคัญผิดว่าได้นั่นได้นี่มาแล้วจะเป็นสุขเขาว่าอย่างนี้นะแต่ที่จริงได้มาแล้วมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้พวกคนผ่านคนไม่รู้เรื่องก็สำคัญผิดไปเรื่อยแหละนะครับฉะนั้นต้องเป็นบัณฑิตนะชาตตะมรนังโหติความตายย่อมมีแก่สัตว์ที่เกิดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา เกิดแล้วก็ได้ตายไม่ใช่เกิดแล้วจะได้สุขนะอย่างเราทั่วไปคนโ ง, ง่เขาก็จะบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจะได้เสวยสุขเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นเลยความตายย่อมมีแก่สัตว์ที่เกิดแล้วเกิดแล้วก็ได้ตายนะใช่แต่เกิดแล้วได้สุขไม่ใช่นะทำนองนี้นะเอโสทุกขสสะสัมภโวนั่นเป็นความเกิดขึ้นของทุกข ที่เกิดนั้นเป็นความเกิดขึ้นของทุกนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคาถานในข้อ748เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีสัตว์ที่เกิดมาแล้วย่อมต้องประสบกับความทุกข์ความตายย่อมมีแก่สัตว์ที่เกิดแล้วนั่นเป็นความเกิดขึ้นของทุกขต่อไปบาลีข้อ749 ตัดสมาอุปาทานักขยาสัมะดัญญายะปันติตาชาติขยังอภิญญายะนักฉันติปุนภวังบัณฑิตทั้งหลายรู้โดยถูกต้องได้รู้แจ้งความสิ้นไปของชาติย่อมไม่เข้าถึงพบใหม่อีกเพราะความสิ้นไปของอุปาทานนะตัดสมาก็แปลว่าเพราะฉะนั้น อุปาดานักขยาเพราะความสิ้นไปอของอุปาทานเพราะความสิ้นอุปาทานไปปันดิตาบันดิตทั้งหลายสัมมะดัญญายะรู้โดยชอบรู้โดยถูกต้องสัมมากับอัญญายะนะรู้โดยถูกต้องรู้โดยถูกหลักรู้ตรงตามความเป็นจริงฉะนั้นบันดิตทั้งหลายที่เขาถึงความสิ้นไปของอุปาทานนี้ เพราะว่าเขารู้โดยถูกต้องรู้ตามที่เป็นจริงและได้เข้าถึงความสิ้นไปของชาติคือพระนิพพานได้รู้จักพระนิพพานอย่าเขารู้ตามความเป็นจริงและได้รู้จักนิพพานจึงเข้าถึงการไม่เกิดอีกวิธีการมันเป็นอย่างนี้นะครับคาถามีว่า ตัดสมาอุปาดานัขยาสั ม, มะดัญญายะปันติตาชาติขยังอภิญญายะนักขจฉันติปุณพภวังเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้โดยชอบรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่เข้าถึงการเกิดอีกเพราะความสิ้นไปของอุปาทานน่ะ อุปาทานจะสิ้นไปได้เพราะรู้โดยชอบแล้วก็ได้รู้จักความสิ้นไปของชาติคือได้รู้จักพระนิพพานจากนั้นทุกๆเรื่องนี้นะจะมาจบที่พระนิพพานทั้งหมดแล้วแต่จะใช้คําว่าอะไรเช่นชาติขยะอย่างนี้ก็ได้ความสิ้นไปของชาติอันนี้ก็คือพระนิพพานเหมือนกันเป็นชื่อของพระนิพพานนะพระนิพพานนี้ไม่มีความเกิดไม่มีความดำส่วนถ้าเป็น ขันห้าเราก็เกิดเกิดดับดับวนเวียนอยู่นี่แหละมันไม่สิ้นสักทีหรอกมันก็เป็นสังสาระที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่หยุดสักทีหนึ่งนะครับเป็นการสืบเนื่องกันแบบไม่มีการขาดช่วงทีเดียวต่อไปเป็นหัวข้อที่สิอ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะทันจะสิยา ยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติส บ, บังอารัมภะปัจจะยาติอายะเมกานุปัสนาอารัมพาณังตเววะอเสสะวิราคะนิโรธานัติดุกขัสสะสัมพโวติอายังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาทวายตานุปัสิโน อัาปรังเอตตะดวจะสัตถาข้อที่10สิยาอันเยนปิปริยาเยนะกะถันจะสิยาถ้ามีบุคคลเขาถามว่ายังมีแง่มุมอื่นอีกไหมก็พึงตอบเขาว่ามีถ้าเขาถามว่ามีอย่างไรก็ควรตอบว่า ยังกินจิตทุกขังสัมโพติสับบางอารัมพะปัจจญาติอเยเมกาุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยอารัมพะแปลว่าความเพียรที่เริ่มต้นทำอันนั้นทำอันนี้ขวนขวายทำนั่นทำนี่เพิ่มขึ้นทำให้มีการสร้างกรรมนั้นกรรมนี้เพิ่มขึ้น ไม่มีการหยุดอารัมพะแปลว่าเริ่ม rather. ทำทำใหม่อยู่เรื่อยเริ่มใหม่อยู่เรื่อยมีอะไรให้ทำใหม่ๆอยู่เรื่อยนะได้อันนี้แล้วก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็มีอันใหม่เริ่มใหม่นะได้อันนี้มาแล้วก็ไม่พอก็เริ่มใหม่ทำใหม่ได้มาแล้วก็ไม่พออีกเริ่มใหม่อีกเริ่มใหม่อีกเขาเรียกว่าอารัมพะนะคือการเริ่มทําสิ่งใหม่อยู่เรื่อยอยู่เรื่อย พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้นมันก็เก่าแล้วก็เริ่มทำอันใหม่ทำอันใหม่ทำอันใหม่ไปเรื่อยนะครับทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยอันนี้ก็เป็นความเพียรที่ไม่ยอมหยุดทำสักทีหนึ่งทำนั่นทานี่ไปเรื่อยเป็นการสร้างกรรมอะไรขึ้นมาเพื่อ ให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นให้ตัวเราเป็นอย่างนี้คือเป็นพวกขยันนะ่ะแต่ขยันแบบโง่ๆทําเพื่อตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เรียกอารัมพะอเะเมนการุปัสนานี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งให้เห็นว่าอารัมพะคือการริเริ่มทํานั่นทนํานี่เพื่อตัวเองอยู่เรื่อยไปทํานั่นทนํานี่ขวนขวายอยู่เรื่อยอันนี้เป็นข้างทุกขนะ์ทุกทั้งหมดมันเกิดจากอันนี้แหละ อารัมพานังตเววอาอเสสวิราคานิโรธานัตติดุขขัสสะสัมพโวติอายังดุติยานุปัสนาเพราะการดับสนิทโดยการสัมรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งอารัมพะนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีนะทำให้อารัมพะมันดับสนิทไปสัมรอกให้มันหมดไป หมดความเพียรที่จะไปก่อกรรมทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเราเพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรต่างๆอายังดุติยานุปัสสนานี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะอันนี้ถ้าท่านไหนเป็นคนชอบขวนขวายทำนั่นทำนี่เพื่อให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราได้อย่างนี้ก็จะได้รู้จักว่าอ้าวอันนี้มันข้างทุกข์นะนี่แล้วมีข้างหนึ่งด้วยที่ไม่ต้องทาอย่างนี้ ไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นข้างพ้นจากทุกไปความเกิดขึ้นของทุกขก็ย่อมไม่มีถ้าขวนขวายทำมันก็เป็นข้างทุกเพราะว่าทุกทุกทุกอย่างมันก็เกิดจากอารัมพะเป็นปัจจัยอย่างนี้ก็จะได้รู้จักว่ามีข้างหนึ่งนะที่ไม่ต้องขวนขวายทำอะไรอย่างนี้ก็คือพระนิพพานนั่นเองนะครับ แล้วพระองค์ก็สรุปแบบเดิมนะครับแล้วก็ได้ตรัสเป็นคาถาสามคาถาด้วยกันในข้อ7 5 0 7รอถึงอ่านพร้อมกันยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสั บ, บังอารัมพะปัจจยาอารัมพานังนิโรเทนะนัตติดุก ข, ขัสสะสัมพโวเอตมาดีนวังยัตตวา ดุขขังอารัมภะปัจจยาสบารัมพังปตินิสัชะอนารัมเพวิมุตติโนอุดชินะพวะตันหัสสะสันตะจิตตสะพิกุโนวิขีโนชาติสังสารโรนัตติตสะปุนัปวติเนี่ยบาลีข้อ750หส ยังกินจิทุก ข, ขังสัมโพติสับบางอารัมพปัจจยาอารัมพานาังนิโรเทนะนัตถิุกขัดสะสัมโวโวทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยเพราะการดับสนิทไปของอารัมพะความเกิดขึ้นของทุ ก, ก็ย่อมไม่มีนิโรเทนะก็แปลว่าความดับสนิทไป ความไม่มีอารัมพะการจะไม่มีอารัมพะความไม่มีอารัมพะก็คือพระนิพพานนั่นแหละนะถ้ายังอยู่ในโลกมันก็ต้องขวนขวายทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเพื่อตนเพื่อตัวเราหรือเพื่อของเราอยู่เรื่อยฉะนั้นจะต้องเห็นนิพพานให้ได้นะนิพพานจึงเป็นที่ดับของทุกเรื่องทุกราวท่านทั้งหลายก็ตอนนี้ก็ขวนขวายทานั่นทานี่พอบอกว่าอย่าไปขวนขวายท่านก็อาจจะไม่ขวนขวายก็ได้ การไม่ขวนขวายมันก็เป็นการขวนขวายชนิดหนึ่งนะทำนองนี้มันก็วนเวียนไปมาฉะนั้นถ้าท่านไม่เห็นพระนิพพานท่านอย่าไปคิดเรื่องอื่นๆเลยให้ทำประตูนิพพานให้มันเปิดก็พอแล้วคืออริยมรรคมีองค์8ปประการก็นิพพานนั่นแหละคือความดับสนิทไปของความขวนขวายทุกๆุกชนิดอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่เห็นท่านก็จะ วนเวียนวนเวียนอยู่อย so ่างนี้แหละแล้วก็ย so exactly. ังสงสัยก so ับเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าจะดับตันหาได้ยังไงจะดับการขวนขวายดับกรรมเพื่อตัวตนอะไรได้ยังไงพยายามอยู่แหมจะไม่ทําเพื่อตัวเองการจะไม่ทําเพื่อตัวเองก็เพื่อตัวเองอยูเหมือนกันนั่นแหละก็ให้ตัวเองมันรีบจะได้บรรลุไงเพราะรู้ว่าถ้าเราทําเพื่อตัวเองนี่มันจะไม่ได้บรรลุฉะนั้นต้องไม่ทําเพื่อตัวเองจะได้รีบบรรลุก็เพื่อตัวเองทั้งสองอันนั่นแหละมันก็ซ้อนไปซ้อนมาอย่างนี้นะ ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็หาทางออกไม่ได้หรอกนอกจากพระนิพพานเท่านั้นนะแต่เรานี่หัวหมุนสับสนโอลมานแล้วก็สงสยัยสงสยัยทั้งทั้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็อยากจะเลิกสงสัยมันก็เลยไม่รู้จะคุยกันยังไงนะมันวนเวียนอย่างนี้ฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายมีหน้าที่เจริญมรรคนะเท่านั้นแหละไปดูว่าอะไรย่อมมรรคมีอะไรบ้างแล้วก็เจริญแค่นั้นแหละจบแล้นะอันนี้ ส่วนหัวข้อธรรมะอย่างอื่นก็เ ร, นเรียนไปเรียนไปเรื่อยๆนะยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะรู้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันต่อไปบาลีข้อ751อาเอตามาดีนวังยัตวาดุ ข, ขังอารัมพะปัจจยาสบารัมพังปฏินิสั ช, ชะอนารัมเพวิมุตติโนบุคคลรู้โทษอันนี้แล้วคือรู้ว่าทุก เกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยเนี่ยรู้โทษอันนี้แล้วนะเมื่อรู้โทษอันนี้แล้วก็มาเจริญมรรคนะมาฝึกฝนให้เกิดปัญญาคนที่จะรู้โทษก็เป็นคนมีปัญญานั่นแหละจึงจะรู้โทษจึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกับบุคคลจะรู้ว่ากายว่าใจเป็นทุกข์นี้ต้องเป็นคนมีปัญญารู้โทษของกายของใจไม่อย่างนั้นมันก็จะหลงงมงายแล้วก็วิปลาสคิดว่ามันเป็นสุข เป็นของดีของวิเศษอยู่อย่างนั้นนั่นแหละบุคคลรู้โทษอันนี้แล้วคือทุกเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยสละคืนอารัมพะทุกๆอย่างแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่มีอารัมพะปฏินิจสัชะแปล ว, ว่าสลัดคืนสับบารัมพังซึ่งอารัมพะทุกๆอย่างสลัดคืนการขวนขวาย การขยันทํานั่นทํานี่เพื่อตัวเองทุกๆอย่างแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นไปเพราะว่าไม่มีความขวนขวายอะไรอีกต่อไปวิมุตติโ น, โนคือหลุดพ้นไปพ้นไปเพราะไม่มีความขวนขวายนะต่อไปบาลีข้อ5 7 2ก็เป็นคาถา อุจชินะภวะตันหัสสะสันตะจิตตสะพิคุโนวิกขีโนชาติสังสาโรนติตัสสะปุณภโวชาติและสังสาระของภิกษุผู้ที่มีภวะตันหาถอนขึ้นแล้วผู้ที่มีจิตสงบระงับแล้วก็จะสิ้นไปอุดชินะภวะตันหัสสะอุดชินะแปล ว, ว่าถอนขึ้นเรียบร้อยแล้ว ภวะตัณหาความติดข้องในภพผู้ที่มีภวะตัณหาถูกถอนขึ้นแล้วสันตะจิตตัสสะผู้ที่มีจิตสงบระงับมีกิเลสในจิตนั้นสงบระงับหมดไปแล้วไม่มีการคลุกกลุ่นขึ้นมาอีกพิกุโนก็คือของภิกษุวิกขิโนสิ้นไปแล้วชาติสังสาโรชาติคือความเกิด สังสาระคือการสืบเนื่องกันไปของขันธ์ทั้งหลายที่เกิดดับสืบต่อไม่มีการขาดช่วงชาติและสังสาระของภิกษุผู้ที่มีภวะตัณหาถอนขึ้นแล้วผู้มีจิตสงบระ ง, งับก็จะสิ้นไปนั่นทิตตะปุนพพโวติพบใหม่ของภิกษุนั้นย่อมไม่มีอีกดังนี้ อันนี้สำหรับผู้ที่ท่านไม่ต้องขวนขวายหรือว่าไม่มีความขวนขวายหมดความขวนขวายจะทำเพื่อให้ตนเป็นนั่นเป็นนี่และสงบระงับแลชาติและสังสาระก็สิ้นไปพบใหม่ของท่านก็ไม่มีต่อไปบาลีข้อเออไม่ใช่บาลีเป็นข้อที่11เป็นหัวข้อการพิจารณาธรรมะใหเห็นเป็นสองข้างลำดับที่11ในหน้าที่หนะครับ อ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะทันจะสิยายังกินจิดุกขังสัมโพติสับังอาหารปัจยาติอายะมีกานุปัสนาอาหารานางตเววะอาศะวิราคะนิโรธานัตติดุกขัสสะสัมพโวติ อยังตุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวยตานุปัสสโนอถาปรังเอตัเโวจะสัทธาสิยาอันเยนะปิปริยาเยนกะกัถันจะสิยาถ้ามีบุคคลเขาถามว่ามีแง่มุมอื่นอีกหรือไม่ก็ตอบเขาว่ามีอยู่ ถามว่ามีอยู่อย่างไรก็ควรตอบว่ายังกินจิทุ ข, ขังสัมโพติสับบางอาหารปัจจยาติอยเมกานุปั ส, สนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยนะอาหารคือเหตุคือปัจจัยทําให้กายให้ใจดำรงอยู่แล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายเกิด ตายวนเวียนไปเรื่อยๆมีอยู่4อย่างนะที่เราคงจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วกับพลิงกราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณาหารนะกับพลิงกราหารก็ทาให้รูปร่างกายในภพภูมิที่มีขันห้าสืบต่อกันไปได้ถ้าไม่มีอาหารชนิดนี้รูปร่างกายมันสืบต่อไม่ได้วิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน แต่เพราะรูปร่างกายอยู่ได้ด้วยอาหารวิญญาณมันก็อยู่ได้ผัสสะส า, ารมีการกระทบผัสสะจึงเกิดการรับรู้โลกโลกจึงสืบต่อยาวนานมโนสัญเจตนาสารเจตนาจะทำเพื่อตนเป็นการทำกรรมเพื่อให้ได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่จะจัดแจงปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆ่างให้มันดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นมโนสัญเจตนา เมื่อมีผัสสะกระทบอารมณ์ใดแล้วสิ่งที่ชอบใจเราก็อยากให้มันอยู่ น, น, นานๆก็หาวิธีจัดแจงสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็หาวิธีจัดแจงให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้มีประโยชน์แก่เราอะไรก็ว่าไปนะอันความตั้งใจจงใจเจตนาจะทำอันนี้เ็าเรียกว่ามโนสัญเจตนาเป็นอาหารชนิดหนึ่งแล้วก็วิญญาณอาหาร วิญญาณที่ยังสืบต่ออยู่ในร่างนี้ไม่ไปไหนก็ทำให้ร่างนี้สืบต่อไปเรื่อยๆได้ทำกรรมได้มีผัสสะไปเรื่อยๆได้มีผัสสะรับผลของกรรมเก่าได้ทำกรรมใหม่หรือว่าวิญญาณไปอย่างรงในเรื่องใดๆก็มีปัญหาสุขทุกข์กับเรื่องนั้นๆนนเยอะแยะนะแล้วแต่อันนี้ก็ล้วนเป็นอาหารที่ทำให้ทุกมันวนเวียนไปเรื่อยๆไม่ยอมยุดนะครับ อันนี้ยังกินจิทุ ข, ขังสัมโพติสับบางอาหารปัจจยาติอายะเมกานุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งอาหารานาังตเววะอเสสวิราคานิโรธาัติดุขัสสัมโวติ อางดุติยานุปัสนาเพราะการดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอาหารนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองต้องสิ้นอาหารไปจึงจะสิ้นกองทุกข์สิ้นนามสิ้นรูปสิ้นวิญญาณสิ้นทุกเรื่องนันฉะนั้นพระนิพพานจึงไม่ใช่วิญญาณ พรนิพพานจึงไม่ใช่รูปนะทานองนี้แต่อะไรไปรู้พระนิพพาก็วิญญาณเหมือนกันที่เป็นมรรคจิตเป็นจิตแต่นิพพานไม่ใช่จิตอย่างนี้นะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะทนองนี้นะพูดไปก็จะงงไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงท่านจึงมีหลายๆเรื่องให้ว่าดับสนิทของอันนั้นดับสนิทของอันนี้บางคนยิ่งดับมากก็ชักจะไปหาเรื่องดับอะไรเยอะแยะ แต่ที่จริงท่านพูดถึงสภาวะอันหนึ่งซึ่งเป็นที่ดับของทุกสิ่งทุกอย่างจะพูดอะไรมาขึ้นมาที่เป็นกองทุกทุกๆชนิดที่เป็นกองทุกที่พูดขึ้นมานี้ย่อมดับสนิทไปในที่นั้นหมดทําตรงนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายสะดวกถ้าไม่เข้าใจก็จะเที่ยวดับนั่นดับนี่ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับในบาลีข้อ746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 บุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานดีคะมัทานาะตลอดกาลนานยาวไกลามากสังสรังแปละวะ่าท่องเที่ยวไปย่อมไม่พ้นสังสาระซึ่งมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นาติวัตติย่อมไม่พ้นสังสาระก็คือสังสาระที่มีการ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 วี ต, ตันโหก็เป็นผู้มีตัณหาสิ้นไปแล้วอนาดานไม่ยึดมั่นสโตเป็นผู้มีสติตั้งมั่นปริพัชเชก็ทิ้งมันไปปริพัเชก็เว้นจากตัณหานั้นไปออกจากตัณหานั้นไปทิ้งการกระทาที่เกิดจากตัณหานั้นไปทิ้งเพื่อนไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่เดิมมีตัณหาเป็นเพื่อนนะ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 อุปาดาัสัตเววะอเสสวิราคนิโรธาณติดุขสสะสัมโวติอะยังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาดวยตานุปั ส, สิโนอัถาปรังเอตะดาวจะสัทธา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 อุปาดาปัจจยาผะโวภูตโตดุขขังนิคัต ช, ชติชาตัดสะมรนังโหติเอโสดุขัสะสัมพโวตัดสมาอุปาณาขยาสัมมดัญญายะปันติชาติขยังอภินญายะนะัคัดฉันติ นุณพวันตินะก็ตรัสเป็นรูปคาถาคาถาก็สรุปมาจากคำขยายความที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนหน้านั้นนั่นแหละแต่ว่าก็จะไพเราะบาลีข้อ748อุปาดุปาณาปัจจยาพววผู้โตดุขขังนิคัชตชติชาตัสสะมรนังโหติเอโสดุขสสะสัมพวว เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีสัตว์ผู้เกิดแล้วย่อมต้องประสบกับความทุกข์นี้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพคือความเกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอันนี้เขาเรียกว่าภพแล้วเกิดเกิดในภพไหนกามาภพ บ, บ้างรูปภพ บ, บ้างอารูปภพ บ, บ้างก็ว่ากันไปเกิดตามอุปาทานของตนนั่นแหละ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 อุปาดานัขยาเพราะความสิ้นไปของอุปาทานเพราะความสิ้นอุปาทานไปปันดิตาบันดิตทั้งหลายสัมมดัญญายะรู้โดยชอบรู้โดยถูกต้องสัมมากับอัญญายะนะ ร, รู้โดยถูกต้องรู้โดยถูกหลักรู้ตรงตามความเป็นจริงนั้นบันดิตทั้งหลายที่เขาถึงความสิ้นไปของอุปาทานนี้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 ยังกินจิดุขขังสัมโพติสับบังอารัมภะปั จ, จยาติอายะเมกานุปัสนาอารัมพานังตเววะอเสสะวิรคะนิโรธาณติดุขขัสสะสัมภวติอยังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาดวายตานุปัสิโน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 ยังกินจิทุกขังสัมโพติสับบางอารัมภะปัจญญาติอยเยมีกานุปสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอารัมภะเป็นปัจจัยอารัมภะแปลว่าความเพียรที่เริ่มต้นทำอันนั้นทำอันนี้ขวนขวายทำนั่นทำนี่เพิ่มขึ้นทำให้มีการสร้างกรรมนั้นกรรมนี้เพิ่มขึ้น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 ความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีถ้าขวนขวายทํามันก็เป็นข้างทุกข์เพราะว่าทุกทุกทุกอย่างมันก็เกิดจากอารมณ์พระเป็นปัจจัยอย่างนี้ก็จะได้รู้จักว่ามีข้างนึงนะที่ไม่ต้องขวนขวายทําอะไรอย่างนี้ก็คือพระนิพพานนั่นเองนะครับ แล้วพระองค์ก็สรุปแบบเดิมนะครับแล้วก็ได้ตรัสเป็นคาถาสามคาถาด้วยกันในข้อ750อถึง752อ่านพร้อมกันยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสั บ, บังอารัมภะปัจจยาอารัมภานังนิโรเทนะนัตถิดุขขะสะสัมพโวเอตมาดีนวังยัตตวา ดุขังอารัมภะปัจจยาส บ, บารัมพังปตินิสัชะอนารัมเพวิมุตติโนอุดชินะพวะตันหัสสะสันตะจิตตสะพิกุโนวิขีโนชาติสังสาโรนัตติตัสะปุนัพโวติเนี่ยบาลีข้อ7จ0ห้าสิบ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 ส่วนหัวข้อธรรมะอย่างอื่นก็เรียนไปเรียนไปเรื่อยๆนะยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะรู้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันต่อไปบาลีข้อ751อาเอตมาดีนวังยัตวาดุขขังอารัมพะปัจจยาสบารัมพังปฏินิสัชะอนารัมเพวิมุตติโนบุคคลรู้โทษอันนี้แล้วคือ รู้ว่าทุกเกิดเพราะอารมณพะเป็นปัจจัยเนี่ยรู้โทษอันนี้แล้วนะเมื่อรู้โทษอันนี้แล้วก็มาเจริญมากนะมาฝึกฝนให้เกิดปัญญาคนที่จะรู้โทษก็เป็นคนมีปัญญานั่นแหละจึงจะรู้โทษจึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกับบุคคลจะรู้ว่ากายว่าใจเป็นทุกนี้ต้องเป็นคนมีปัญญารู้โทษของกายของใจไม่อย่างนั้นมันก็จะ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 ต่อไปบาลีข้อ572ก็เป็นคาถาอุดชิ น, นะภวะตันหัสสะสันตะจิตตัสะพิกุโนวิขีโนชาติสังสาโรนัตติตัสะปุนภ พ, พโวชาติและสังสาระของภิกษุผู้ที่มีภวะตันหาถอนขึ้นแล้วผู้ที่มีจิตสงบระงับแล้วก็จะสิ้นไปอุดชิ น, นะภวะตันหัสสะ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 การพิจารณาธรรมะให้เห็นเป็นสองข้างลำดับที่สิบเอ็ดในหน้าที่ห้านะครับอ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะทันจะสิยายังกินจิดุกขังสัมโพติสับบางอาหารปั จ, จยาติอายเมกานุปัสนาอาหารานางตเววะ อเสสะวิราคะนิโรธานัตติดุ k ั h ส t s a s a โ p ติอยังตุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวยตานุปัสสิโนอถาปรังเอตัโดวจะสัทธาสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกัถันจะสิยาถ้ามีบุคคลเขาถามว่า มีแง่มุมอื่นอีกหรือไม่ก็ตอบเขาว่ามีอยู่ถามว่ามีอยู่อย่างไรก็ควรตอบว่ายังกินจิทุ ข, ขังสัมโพติสับบางอาหารปปจยาติอยเมกานุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยนะอาหารคือเหตุคือปัจจัย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 อะไรต่างเหล่านี้เป็นมโนสัญเจตนาเมื่อมีผัสสะกระทบอารมณ์ใดแล้วสิ่งที่ชอบใจเราก็อยากให้มันอยู่นานๆก็หาวิธีจัดแจงสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็หาวิธีจัดแจงให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้มีประโยชน์แก่เราอะไรก็ว่าไปนะอันความตั้งใจจงใจเจตนาจะทาอันนี้เขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาเป็นอาหารชนิดหนึ่ง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 วนเวียนไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดนะครับอันนี้ยังกินจิทุก ข, ขังสมโพติสั บ, บางอาหารปั จ, จยาติอยามีกาุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งอาหารานางตเววะอเสสวิราคนิโรธา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 ฉะนั้นพระนิพพานจึงไม่ใช่วิญญาณพระนิพพานจึงไม่ใช่รูปนะทำนองนี้แต่อะไรไปรู้พระนิพพานก็วิญญาณเหมือนกันที่เป็นมรรคจิตเป็นจิตแต่นิพพานไม่ใช่จิตอย่างนีนะ้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะทำนองนี้นะพูดไปก็อาจจะงงไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงท่านจึงมีหลายๆเรื่องให้ว่าดับสนิทของอันนั้นดับสนิทของอันนี้บางคน